มากันกี่คนมากันห้าคนค่ะห้าคนมาจากสงขลาค่ะแบบแบบนั่งที่ไหนกันแบบนั่งที่ไหนกันสองที่มากับพระหรือเปล่าครับไม่มาครับมาดีน้มาจากสงขลาค่ะออระมาจากสุราษฎร์ลยไปฟังรายการยูทูบดีมาถ่าท่านมีทุระอะไรป่านนี้มาฟังเทศได้เจนี่มอนมานเขาใช่หรือว่า อ้ามีธุระอยากจะเข้ามาก็ได้วันนี้ว่างทีเดียวเดี๋ยวให้โยมขยับลงไปนั่งข้างล่างก่อนถ้าพระอยูมานั่งนี่ก่อนไั้ไหมถ้าพระมาปรดี๋ยวันนี้ว่างๆก็เลยป ก, กติถ้าโยมเยอะก็ต้องรอก่อนวันนี้ว่างนี่เลย เออมลอาจารย์มาขออุบายครับอุบายทาวเรื่ต้วอยางต้องอาสืไปอ่านประวัติาจาย์มั่นนะอุบเดี๋ยวอยูหนังสือไปอ่านดีกว่าเพราะพูดแล้วมันจะยาวอ่อาอาอยง เอหนังสือไปอ่านเนะนี่ยหนังสือประวัติศาร์อาจารย์มั่นเลยวแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งก็หยิบได้ซีดีก็อาไปได้การทำการก็ออกไปกันเวลาเล่นเนยนเนอ่านได้ปเปล่าเรียนเราไปต้องเอาไปอ่านนะถ้าไม่อ่านยาวไปนะอ่านได้เลยอคงไม่ได้เรียนปอนไเนี่ยจบยังไปขอพักก่ออ่านดีกว่านะ มันมากมันเกินฐานะเราที่จะอ่านอ่ะนะนีมนตามสบายอ่านประวัติอาจารย์มาแล้วปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัตินะเราปคนที่นี่ค่ะนคนสงขากระต่ายแต่ว่าอยู่กรุงเทพแตนี้น้าๆมาจากใต้อ่ะค่ะอ่า อ, อยากมาถามอะไรไหมเมรัอยากจะถามหรือเปล่ายังค่ะเพราะว่าเพิ่งเริงง่มเพิ่งปฏิบัติอะไรอย่างเนี้ยยังไม่ถึงไหนเลยก็ไม่ได้ไปถึงไหนปฏิบัตินี่ไม่ให้ไปถึงไหนให้หยุดไปเราชอบไปนู่นมานี่กัน ปฏิบัติเพื่อให้มันหยุดไม่ให้มันไปไหนใจเรามันเหมือนลิงไงมันไม่อยู่นิง่งมันไม่อยู่เป็นสุขมันชอบไปนู่นมานี่ไปนู่นก็อยากจะมานี่มานี่ก็อยากจะไปนูน่นเดี๋ยวก็อยากจะไปสงขามันปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติให้มันไปถึงไหนปฏิบัติให้มันไม่ไปไหน ให้มันอยู่ที่เฉยหยุดหยุดใจหยุดความคิดหยุดกิเลสถ้าใจหยุดคิดกิเลสก็ทำงานไม่ได้วิธีฆ่ากิเลสก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือหยุดความคิดวิธีสองก็ให้คิดไปในทางที่กิเลสไม่คิดไปในทางที่ทำให้กิเลสตาย ตอนต้นเราหยุดหัดหยุดคิดก่อนเพระเราคิดเป็นหยุดคิดไปแล้ววิธีที่สองก็คิดไปในทางที่ทําให้กิเลสมันตาย mm hmm. เวลากิเลสอยากจะไปไหน mm hmm. ก็บอกว่าไปทําไมไปแล้วได้อะไร mm hmm. ไปแล้วไม่ต้องกลับ mm hmm. ก็ไป mm hmm. ถ้าไปแล้วกลับ mm hmm. ไปทําไม mm hmm. ลองคิดอย่างนี้ดู ไปแล้วก็เท่านั้นไปแล้วก็กลับกลับแล้วก็ไปไปแล้วก็กลับอเหมือนลูกปิงปองไปไปมามาแล้วได้อะไรจากการไปการมาก็ไม่ได้เลยเหมือนเดิมสู้อย่าไปดีกว่าสู้อยู่เฉยๆดีกว่าความสุขอยู่ที่อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ที่อยากจะไปหรืออยากจะมา ไม่อยากจะได้หรือไม่อยากจะได้ความสุขอยู่ที่เฉยๆก็ได้อะไรมาเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนท้าวรอทุกอย่างเป็นของชั่วคราวให้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากไปไหน เราตั้งแต่เกิดมาเราไปไหนมาไหนแล้ว เ, เราได้อะไรบ้างทางด้านจิตใจเนะนี่ยยังอาจจะได้อาจจะได้เข้าของเงินทองไปนู่นมานี่ไปหาเงินไปทำงานไปอะไรก็ได้แต่เข้าของเงินทองนั่นนะแต่ใจไม่เคยได้ความสุขเลยใจไม่เคยมีความสุขที่ไม่เคยได้ความพอเลย สิ่งที่ใจต้องการก็คือความพอถ้ามีความพอแล้วสบายได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่เคยเจอคำว่าพอใช่ไหมได้เงินมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้พอหรือยังได้เที่ยวมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้พอหรือยังไม่พอล่ะ ไม่พอก็ต้องไปหาใหม่ก็ต้องไปเอาใหม่เอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนเดิมเพราะความพอมันไม่ได้อยู่ที่การไปได้สิ่งต่างๆมาความพออยู่ที่การอยู่เฉยๆอยู่ที่ไม่ต้องการอะไรการที่จะไม่ต้องการอะไรก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการมันมันไม่เที่ยง มันทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันมาแล้วมันไปได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราเนี่ยของทุกอย่างที่เราได้มาวันนี้เดี๋ยวก็ต้องจากเราไปดังนั้นเราก็ต้องจากมันไปเ้ทุกอากจ็จะทุกข์ใจก็เื่นานเรอเรืย่เรื่องลูกเป็นห่วงลูกอะไรเนี้ยค่ะก็นั่นแหละก็ไปมันไม่ได้ มันก็ไปเอามาแล้วนต่ก็ถ้าไม่ได้มันไม่ได้ลูกมันก็ไม่ทุกข์อย่างนะตอนที่ยังไม่มีลูกไม่คิดก่อนว่าได้มาแล้วมันทุกข์ถ้ารู้ว่ามันทุกข์จะได้ไม่เอาแต่ตอนนี้ถ้าได้มาแล้วจะทำไงไม่ให้มันทุกข์ก็ชัางหัวมันดิเดี๋ยวมันก็ตายไม่ใช่เดี๋ยวเราก็ตายไม่ใช่ต้อไปทุกข์กับมันทำไม ทุอย่างไงมันก็ตายไม่ทุกมันก็ตายเอาอย่างไงดีกว่าเอาเอาทุกหรือไม่เอาไม่ทุกเอาไม่ทุกก็ช่างหัวมันเราเลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงมันไปสอนมันได้ก็สอนมันไปอแต่ถ้ามันไม่เอาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องช่างหัวมันเนี่ยช่างหัวมันแล้วก็จะไม่ทุก ว่าเขาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่เลยเขาจะเขจะเป็นอย่างที่เราให้อยากให้เขาเป็นได้ไหมแล้วอยากให้เขาเป็นอะไรที่เราที่เราทุกข์ในทุกข์เพราะอยากให้เขาเป็นอะไรใช่ไหมก็คิดว่าให้เป็นคนดีค่ะอ่าแล้วเราทุกข์ยังไง่ะเพราะเขาไม่เป็นคนดีอยู่อ่าแล้วไ่ทุกข์ทำไมถ้าดีอยู่ อเราไปทุกข์กับเขาทาไมมันไม่เศรษฐกิจไม่ดีก็เนี่ยก็มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนไม่ใช่เหมตอนนี้ก็กคิดแบบนั้นอยู่อ่าแล้วเราไปทําอะไรมันได้เปล่าเศรษฐกิจไม่ดีเราไปทําไปสั่งให้มันดีได้เปล่าเห็นอหคิดไปสิคิดไปเวลาเราไม่สบายกันเรื่องอะไร คิดดูว่าเพราะเราอยากให้มันมันดีใช่ไหมอยากให้เศรษฐกิจมันดีใช่ไหมแล้วเราสั่งให้มันดีได้เปล่าถ้าสั่งไม่ได้แล้วไปอยากทาไมอยากให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆถ้าบริษัทมันจะเจ๊งก็สั่งห้ามมันได้เปล่าถ้ามันจะเจ๊งไง ถ้ามันขายของไม่ได้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายจะให้มันอยู่ได้ยังไงคิดตามความจริงสิอย่าไปคิดตามความอยากใช่ไหมคิดตามความจริงแล้วมันก็มันก็จะไม่ทุกข์อะไรจะเกิดก็เกิดเนี่ยราห้ามมันได้เ สิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยฝนจะตกไม่เราห้ามมันได้ป่ะเร า, าเราอยากเราเหวีเราไปอยากห้ามไม่ให้ฝนตกหรอวะเราทําทไมเศรษฐกิจมันจะตกทําไมเราไปห้ามมันอยากไปห้ามันไม่ตกอ่ะนะนะนะให้คิดอย่างนี้อยากไปคิดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อนะอยากจะให้เศรษฐกิจดีอยากจะให้ มีรายได้มากๆามันอยากได้แต่มันได้เปล่าไม่ได้แล้วมันสุขแล้วมันทุกข์ต้องใช้ความคิดดูเลยคิดดูเอาแล้วก็หยุดมันเสียหยุดความอยากเสียถ้าหยุดได้มันก็ไม่ทุกข์ถ้าหยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังหยุดนั่น กำลังคิดกำลังอยากมันมากกำลังหยุดเรามีน้อยโอ้แต่เจ้าให้เราหยุดทํางานวันหนึ่งเพื่อมาสร้างกําลังหยุดกันมาสร้างสติมาสร้างสมาธิกันถ้าเรามีสติมีสมาธิเราจะหยุดมันได้หยุดความกังวลได้หยุดความอยากได้ความกังวลมันเกิดจากความอยากของเราเลยอยากให้มันดี พอมันทําท่าไม่ดีก็กังวลเราก็ต้องคิดว่าแล้วเราห้ามมันได้เปล่าสั่งมันได้เปล่าสั่งให้มันดีได้เปล่าเ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าไปสั่งมันห้ามมันได้เปล่าห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้แต่ตัวไหนที่เราห้ามได้สั่งได้ก็ตัวใจเราเนี่ยตัวความคิดของเราเนี่ยสั่งได้ ห้ามไม่ให้มันคิดก็ได้สั่งให้มันคิดไปในทางที่ทำให้เราสบายใจก็ได้แต่เราเหมือนกับคนขับรถขับรถไม่เป็นมีรถแต่ปล่อยให้รถมันไหลวิ่งลงไปตามตามทางไม่คอยควบคุมบังคับมันไม่คอยสั่งมันปล่อยให้มันไปคิดไปตามตามตามทางที่ทำให้มันเกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมา เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาวันพระนี่พระพุทธเจ้าบอกให้เราหยุดทำงานวันหนึง่งแล้วมาควบคุมความคิดกันตามปกตินี่เราปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันคิดไปตามความอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์กันอันนี้เราจะมา หัดหยุดความอยากหยุดความคิดกันเวลาอยากเราไม่ได้ก็อยากไปอยากมันถ้าอยากเราได้ก็อยากเอาถ้าอยากให้เศรษฐกิจดีแล้วเศรษฐกิจมันดีก็อยากไปถ้าอยากแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีอยากให้มันดีมันก็ยังไม่ดีก็อยากไปอยากมันใจจะได้ไม่ทุกข์เราต้องดูว่าเราสั่งได้หรือเปล่า สั่งได้ก็สั่งสั่งไม่ได้ก็อย่าไปสั่งห้ามได้ก็ห้ามห้ามไม่ได้ก็อย่าไปห้ามเพราะไม่เช่นนั้นมันจะทุกข์มากตอนนี้เราไม่มีกำลังห้ามใจเราไม่ให้ไปสั่งไม่ให้ไปคิดเราต้องมาหยุดใจเราหยุดความคิดของเราวันพระท่านบอกอย่าไปทำอะไรให้มาหยุดความคิดวันหนึง่ง ให้พุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันพุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ลองทำดูสิถ้ามีพุโทโธได้ทั้งวันนี้เราจะสบายใจเราจะโล่งใจเราจะเย็นใจเราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เราทุกข์ไปกับเหตุการณ์ต่างๆทุกข์ไปกับบุคคลต่างๆเพราะเราอยาก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาทำท่าจะไม่เป็นเราก็ทุกข์เราก็กังวลแล้วเราสั่งได้เปล่าสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้ได้เปล่าหรือห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นห้ามไม่ให้เขาเป็นอย่างนี้ได้เปล่าถ้าสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็อย่าสั่งอย่าห้ามเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ พอเราไม่สั่งไม่ห้ามปล่อยให้เป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับปล่อยให้ฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฝนจะตกแดดจะออกนี่เราไม่ค่อยทุกข์กับเขาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราก็เลยไม่ไปสั่งไม่ไปห้ามเขา แต่ทำไมอย่างอื่นทำไมเราชอบไปสั่งชอบไปห้ามเขาพอสั่งแล้วห้ามเขาแล้วไม่ได้ก็ทุกข์กันแล้วเวลาจะให้มันหยุดสั่งก็ไม่มีกำลังถึงต้องมาหัดหยุดหยุดใจไม่ให้มันไปสั่งไม่ให้มันไปห้ามให้มันเฉยๆให้มันยินดีตามมีตามเกิด ฝนจะตกก็ได้แดดจะออกก็ได้เศรษฐกิจจะขึ้นก็ได้ลงก็ได้เพราะเราทำอะไรไม่ได้เศรษฐกิจมันจะขึ้นมันก็ขึ้นเวลามันจะลงมันก็ลงเราทำในสิ่งที่เราทำได้เศรษฐกิจตกต่ำเราก็ต้องหามาตรการตัดรายจ่ายลงถ้ารายรับมันน้อยรายนะรายรับมันลดเราก็ต้องหาวิธีตัดรายจ่ายลง อาจจะต้องลดเงินเดือนคนงานอขอร้องเขาว่าตอนนี้ถ้าไม่ลดก็ต้องปิดบริษัทะจะเอาอยัางไงจะให้ปิดหรือว่าจะให้ลดก็ให้เขาเลือกเอาเพราะว่ามันไม่มีทางจะทำงไงได้เศรษฐกิจรายได้มันไม่มามีแต่ร า, า, ายจ่ายแล้วมีแต่รายจ่ายแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไร มันก็ต้องเป็นอยู่ดีนี่ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพไปเหมือนร่างกายของเรานี้มันก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะสบายหรือไม่สบายเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้วันดีขึ้นดีก็ไม่สบายขึ้นมา เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ขึ้นมาถ้าไปหาหมอหมอก็อาจจะช่วยได้ถ้ารักษาได้ก็ดีไป ถ, ถ้ารักษาไม่ได้ก็ก็ต้องยอมรับมันไปอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยากว่มันทุกข์แต่ถ้าไม่อยากให้มันหายมันจะไม่ทุกข์อยู่กับมันไป คือว่ามันเป็นเพื่อนมาเยี่ยมเยียนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเพื่อนของความเกิดมันจะมาเยี่ยมมันมันจะเยี่ยมมันจะมาเยี่ยมพอมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเพื่อนมาเยี่ยมคือความแก่ความเจ็บความตายห้ามมันไม่ได้ห้ามเพื่อนเขามาเยี่ยมไม่ได้เดี๋ยวความแก่เขาก็มาเยี่ยมนะเดี๋ยวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเยี่ยม แล้วความตายก็มาเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามห้ามไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ห้ามไม่ได้ตัวหมอเองก็ต้องมีเพื่อนมาเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่าหมออาจจะสามารถที่จะแก้ไขได้บางส่วนถ้าคนเจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยี่ยมก็ถ้ามียาก็กินนักษามันได้ ถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันไม่มาเพราะอยากว่ามันทุกข์ถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์แต่เราไม่รู้จักทําใจให้ไม่อยากกันพอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยให้อยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายพอไม่หายก็กระวนกระวายก็สับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะเรายังอยากให้มันหายอยู่นั่นทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่หายเพราะเราไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากกันพระพุทธเจ้าทึงสอนให้เรามาศึกษาวิธีหยุดความอยากในวันพระเนี่ยวันพระคือวันให้ที่เราหยุดทำงานสมัยโบราณก็เป็นวันขึ้นแรงแปดข้ามสิบห้าขาอย่างวันนี้ก็เป็นวัน แปดข้าก็เป็นเป็นวันหยุดสมัยโบราณวันหยุดสมัยนี้สมัยปัจจุบันก็หยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องทำวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันพระแทนเราก็ไปวัดกันไปศึกษาวิธีหยุดความอยากหยุดความคิดกันแล้วก็ไปปฏิบัติกัน ท่านสอนว่าอยากจะหยุดความคิดหยุดความอยากายากาใ็ให้ให้ระลึกถึงพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆให้ใจระลึกถึงพุโทโธเวลาคิดอะไรก็หยุดมันด้วยพุโทโธพอจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้มันคิดถ้ามันไม่คิดมันก็จะอยากไม่ได้แต่พอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากตามมา คิดถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายคิดถึงความตายก็กลัวไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์เพราะเราทุกคนตายด้วยกันทุกคนแต่ทำไมตอนนี้ไม่ทุกข์กันเพราะเราไม่ไปคิดถึงมันอย่าพยายามอย่าไปคิดถึงความตายเวลามันจะตายก็อย่าไปคิดถึงมัน ทำแต่ไม่รู้ไม่ชี้ได้ป่าเวลามันจะตายเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนต้องตายแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนตอนนี้ตอนนี้เราก็รู้ว่าเราจะตายไม่ใช่ทําไมเราไม่ทุกข์อ่ะเพอะเราไม่เลยไปคิดถึงมันเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมั น, มมนแต่ทําไมพอไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายนี้ทําไมคิดอยู่ตลอดเวลานี่ เมื่อก่อนให้คิดเมื่อก่อนไม่คิดแต่พอหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายนี่คิดอยู่ทุกทุกเวลาเลยใช่ไหมแล้วพอคิดว่าจะตายแล้วมนุษ้สึกยังไงไม่สบายใจขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ได้ความตายมันไม่ได้ทําให้เราไม่สบายใจแต่ความคิดถึงความตายมันทําให้เราไม่สบายใจเราก็เลย เราก็เลยไม่คิดกันตอนนี้เราไม่คิดกันเพราะถ้าคิดถึงความตายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันทีใช่ก็เลยไม่คิดกันทําไมตอนนี้ไม่คิดได้แล้วทําไมตอนที่ไปหาหมอหมอบอกว่าจะตายทำไยไม่คิดไม่ได้เนี่ยทำให้มันเหมือนตอนนี้ล่ะก็อย่าไปคิดถึงมันเหมือนตอนนี้เถตอนนี้เราไม่คิดถึงความตายได้แล้วตอนที่หมอบอกว่าจะตายแล้วทําไมเราต้องไปเชื่อหมอด้วยเราก็อย่าไปคิด พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะต้องตายเราเราเห็นเชื่อพระพุทธเจ้าเลยเราไม่คิดถึงมันเลยแต่ทําไมพอหมอบอกจะตายกับเชื่อหมอพระพุทธเจ้านี่ก็รู้ก่อนหมอเองรู้ว่าจะต้องตายกันทุกคนแต่ทําไมแต่ทําไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอแต่เรากลับเชื่อหมอทั้งที่บางทีหมออาจจะพูดไม่จริงก็ได้ หอบอกอีกสามเดือนจะตายจะตายแต่อาจอาจะอโรคมันอาจจะหายก็ได้ะมันนี้ก่อนมีคนหนึ่งมามาบอกว่าตอนนี้มะเร็งเขาหายแล้วเอเป็นมะเร็งอยู่แล้วไปรักษาแล้วเจอกระท่นตอนนี้บอกมะเร็งหายไปหมดแล้วมันอยู่ที่ความคิดของเรานอยู่ที่ความคิดคิดแล้วมันทําให้เราทุกข์แล้วเราไม่รู้จักหยุดมัน ถ้าเราหยุดความคิดได้เวลามันทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราเองทำไมตอนนี้ทํำไมตอนนี้ไม่กลัวตายกันแล้วทําไมตอนไปหาห ม, หมอหมอบอกเหลือสามเดือนจะตายกลับไปกลัวกันเป็นเพราะอะไร ว่าตอนนี้มันไม่คิดว่าจะตายกันใช่ไหมก็เลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าจะตายแต่พอไปหาหมอหมอบอกหมอบอกว่าจะตายก็เชื่อหมอทันทีก็เมื่อเราไม่เชื่อพระพุทธเจา้าเราทําไมต้องไปเชื่อหมอทําไมเพราตอนนี้เรายังไม่ตายหมอบอกจะตายก็เลย่อของหมอเลย พระพุเจ้าบอกเราจะตายก็เรื่องของพระพุทธเจ้าสิตอนนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเราจะตายกันนะเราก็เรื่องก็เรื่องของพุทธเจ้าถ้ามันเราจะตายแต่ตอนนี้เราไม่ตายนะี่ยถ้าเราจะไปทุกข์ก็เลยถ้าเราทําใจให้มันเข้มแข็งแบบนี้ได้เวลาจะตายจริงๆมันก็แค่วินาทีเดียวนะเวลาตายไม่ถึงวินาทีนะพอไม่หายใจมันก็ตายนะแต่ก่อนที่ ถ้ายังหายใจอยู่มันจะตายได้ยังไงไม่มีไม่มีเวลาอะไรที่เราจะต้องมากลัวตายเลยถ้าเราคิดด้วยเหตุด้วยผลตอนนี้เราไม่กลัวตายกันไม่ใช่กลัวไหมไม่กลัวเฉยๆ เ, เห็นคนอื่นตายยังเฉยเลย <laughs> แล้วทำไมพอไปหาหมอหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตายทำไมเริ่มกลัวขึ้นมาทันที ก็ยังไม่ตายอยู่ดีก็เพียงแต่เจ็บเท่านั้นเองแต่ยังไม่ตายเวลาตายมันมันแป๊บเดียวเท่านะั้นใช่ไหมระหว่างเป็นกับตายนี่มันใช้เวลาตานใช้เวลากี่วินาทีไม่ถึงวินาทีเซียววินาทนะีถ้ายังหายใจอยู่มันก็ยังไม่ตายใช่ไหมพออยู่หายใจปั๊บมันก็เหมือนเปิดซับเปิดสวิตไฟปิดสวิตไฟนีนะ่ความตายก็เหมือนกับการปิดสวิตไฟเนี่นะ ใช่ไหมถ้าเรายังไม่ไปปิดสวิตไฟไฟมันก็เตดเยือกไะถ้าเราไม่เราไม่อยู่หาย ใ, ใจเราก็ยังอยู่เหมอนนนะพอเราหยุดหาย ใ, ใ, ใจปุ๊บเราก็ตายะมันก็แค่แค่นั้นเองแล้วเราไปกลัวมันทําไมความตายมันน่ากลัวทําไมตอนนี้เรายังไม่กลัวมันเลยแล้วตอนจะตายมักลัวทําไมก็มันก็แค่ก็แค่หยุดหาย ใ, ใ, ใ, ใจแค่นั้นเองใช่ไหม ตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้เรายังหายใจอยู่ไปหาหมอหมอก็บอกว่าจะตายแต่เราก็ยังหายใจอยู่เราจะไปกลัวทำไมมันก็เหมือนกันตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นหมอท่านก็มาบอกเราว่าเราจะต้องตายแต่เราไม่เห็นกลัวเลยลพอไปหาหมอหมอบอกว่าต้องตายเรากลับกลัวขึ้นมาทำไมต้องกลัวด้วยก็ยังไม่ตายเหมือนกันไม่ใช่ห เรายังมีเวลากันอยู่อ้าวหมอบอกว่าอ้าวทีนี้เรารู้ว่าไปลา้างเลยนหน้อยอเราอย่าไปคิดอย่างนั้นสิเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นสิเราก็คิดเหมือนตอนนี้สิแล้วหมอจะรู้ว่าเวลากี่หมอเวลากี่วันกี่เดือนหมอจะรู้บอ <c oughs> ก็เราอย่าไปเชื่อหมอเลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราอย่าไปเชื่อหมอเลย ถ้าเราทําใจให้คิดอย่างนี้ได้เราก็ไม่เราก็ไม่กลัวตายก็ตอนนี้ยังไม่ตายเวลาตายมันก็แค่ปิดสวิทไฟแต่นั่นเองเชื่อขณะเดียวเราไปไปเอาเวลาไปกลัวทำไมกลัวก็ยังไม่ตายเวลาตายจริงๆก็ก็ไม่มีเวลากลัวอีกแล้ว ม, มันเชื่อปป๊บเดียวเนะี่ยตายแล้ว เหตนปัญหาของเราคือเราไม่สามารถทำให้มันอยากคิดได้ตอนนี้เราไม่คิดได้เพราะเรา <bai. S 1> เพราะเราเราเราคิดว่าเรายังไม่ตายก็ <Beam> <driveway> เราก็เลยไม่กลัวแต่พอเราคิดว่าเรจาจะตายนี้เรามันจะกลัวขึ้นมาเพราะเราจะไม่อยากตายกันรถ้าถ้าเราหยุดวิธีหยุดความไม่อยากตายได้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะตอนนี้เราก็ไม่มีความไม่อยากตายกัน พะเรารู้ว่าเรายัางไม่ตายเราก็เลยยังไม่มีความอยากไม่ตายกันอังนั้นถึงเวลามันเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาเราต้องหยุดแท้นมันให้ได้สิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องอาศัยพุทโธเป็นตัวสร้างสติขึ้นมา เวลาใจเราอยากเนี่ยเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันอยากถ้าเราพุโทโธพุโทโธกับมันไปเดีย๋ยวถ้าพุโทโธชนะความอยากความทุกข์ความกลัวก็จะหายไปยเราต้องมาฝึกพุโทโธกันตอนนี้พุโทโธเราไม่มีกำลังพุโทโธได้สองคำสามคำหายไปแล้วต้องหัดฝึก พุทโธบ่อยๆนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปมันอยากจะลุกอยากจะไปทำนูน่ทนทำนี่ก็สู้กับความอยากไปโดยการใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าพุโทโธมีอยู่ความอยากหายไปเราก็นั่งเฉยๆได้ที่เรานั่งเฉยๆไม่ได้เพราะไม่มีพุโทโธมีความอยากจะลุกกันก็เลยนั่งเฉยๆไม่ได้ อยากไปทำนู่นทำนี่อยากจะไปดูนั่นดูนี่ไปกินนั่นกินนี่ไปฟังนั่นฟังนี่กัน<ม>ก็เลยนั่งเฉยเฉยไม่ได้<ม>แต่ถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธเหลียวความอยากมันก็หยุดไปเองพอความอยากหยุดเราก็นั่งเฉยเฉยได้อย่างตอนนี้เรานั่งตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่อยากไปไหนออพอเกิดความอยากขึ้นมานั่งไม่ได้ เดี๋ยวต้องลุกต้องไปแล้วแต่ถ้าเราอยากจะนั่งต่อแต่เรามันอยากจะไปเราก็ต้องใช้พุทโธสู้กับมันพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าหยุดพุทโธเดี๋ยวถ้ามันเหมือนชักก็เยอะกันความอยากมันบอกไปไปไปปเราก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไม่ไม่เอ้วแล้วแต่ใครจะมีกําลังมากกว่ากันใครแพ้ใครชนะ ถ้าพุโทโธแพ้ก็ลุกไปถ้าพุโทโธชนะความอยากแพ้ก็นั่งต่อไปได้อย่างสบายไม่รู้สึกอิดอัดไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกรำคาญพุโทโธนี่สาคัญมากสตินี่สาคัญมากสตินี่จะเป็นตัวที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามยากเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจต่างๆนี่ พุโทโธมันก็ไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราอวุ่นวายใจเช่นไปหาหมอมาหมอบอกว่าเหลือสามเดือนอย่าไปคิดถึงหมออย่าไปคิดถึงคมพูดของหมอให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วทำอะไรได้ก็ทำไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมามันเจ็บก็อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็พุโทโธพุธโทโธไป อยู่กับมันไปรอเวลาปิดสวิตไฟเท่นั่นเองก็แค่เสี้ยววินาทีเดียวพอหยุดหายใจปั๊บมันก็ไปแล้วมันก็สบายแล้วต้องมาควบคุมใจให้ได้ควบคุมความคิดควบคุมความอยากตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงความตายเราเไม่รู้สึกเดือดร้อนใช่ไหม แต่พอหมอเตือนให้เราพอหมอบอกให้เราคิดท่านะคิดตลอดเวลาเลยเนี mm hmm. พอไปหาหมอหมอบอกว่าต่อไปนี้สามเดือนคุณจะตายแล้วนะโอท่นี่มันคิดทั้งวันทั้งคืนเลยสิทำไมหมอเก่งเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าบอกให้คิดมไม่ยอมคิดพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราคิดว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายกันลงพ้นความตายไปไม่ได้ แต่ถ้าไม่ได้บอกเวลาท่นทานทก็บอกว่ามันไม่แน่มันอาจจะตั้งแต่เซี่ยววินทะวินาทีนี้ไปจนก้งถึงห้าสิบปีร้อยปีก็ได้แต่มันต้องถึงวันนั้นสักวันหนึ่งเราก็เลยไปเหมาว่ามันต้องอีกห้าสิบปีกัน่ะไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมไม่เหมือนหมอหมอบอกสามเดือนนี่ชัดเจน บอกสามเดือนชัดเจนใจก็ลยสั่นเราก็ซ้อมเสร็ตอนนี้ก็บอกว่าสมมติว่ า, าสมมติว่าเราเป็นหมอเองก็ได้ล้วบอก เ, อเราจะต้องตายไปในสามเดือนจะทำยังไงทำใจได้หรือเปล่าทำไมตอนนี้ไม่สั่นเราบอกสามเดือนมันไม่สั่นเพรมันไม่เชื่อเรา <c oughs> <c oughs> เราควรจะสมมติว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ แมันไม่เชื่อไม่เหมือนกับหมอบอกถ้าหมอบอกเราเชื่อแต่เราอาจจะพูดจริงก็ได้อาจจะตายวันนี้จริงๆก็ได้ใครไม่รู้เดินอาจจะเดินไปเลื่อนหกลม้มหัวทิ่มตายไปแบบกระทันหันก็ได้<ม>เดินข้ามถนนเผลอมองไม่เห็นรถรถวิ่งมาชนตายก็ได้ แต่เราก็ไม่เชื่อเราก็ยังคิดว่ายัางยางน้อยห้าสิบปีนู่นถึงจะตายเราก็เลยตอนนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายใจกับไปกับความตายเราก็เลยอยู่กันแบบสบายแต่พอเจอวันที่จะต้องตายขึ้นมานี่วุ่นวายใจแนละ้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราสามารถ ตายอย่างไม่วุ่นวายใจได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยควบคุมใจคอยสอนใจให้หยุดความอยากความอยากไม่ไม่ตายอยาไปอยากไม่ตายมันต้องตายแ น, น่ๆให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายเป็นไม่ได้ให้หัดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ คิดจะกระทั่งมันยอมนับความตายแล้วมันจะไม่กลัวความตายถ้าคิดได้แล้วก็ต้องไปทดสอบดู ว, ว่าคิดได้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปหาที่เสี่ยงตายดูที่ไหนที่มีภัยอันตรายเช่นในป่าที่มีสิงสาราสัตว์ต่างๆลองไปอยู่ในป่าคนเดียวสักคืนสองคืนดูนี ไปกลางเต้นไปอะไรอยู่คนนี้เหมือนพระทุดงค์ท่านก็ไปปากฏกอยู่ในป่าเพราะท่านก็อยากจะทดสอบความสามารถของสติของปัญญาของท่านว่าหยุดความกลัวตายได้หรือเปล่าหยุดความอยากได้หรือเปล่าหยุดความอยากไม่ตายได้หรือเปล่าเพราะเวลามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นภัยเราดูซิว่าใจเราเฉยได้หรือเปล่า ควาจริงมันไม่มีภายจริงหรอกมันภายปลอมเนี่ยผีบ้างเสียงสารล้าสัตว์บ้างในเวลาไปอยู่ในป่านี่มันจะมีความระมัดระวังมันจะคอยคิดอยู่ด้วยเอ้ยเสือเปล่างูเปล่าอันนั้นจะได้เป็นวิธีทดสอบว่าเราแน่จริงหรือปเปล่าเราหยุดความกลัวได้หรือเปล่าหยุดความอยากได้หรือเปล่า หยุความอยากไม่ตายได้เปล่าเมือ่อเราคิดว่าเราจะตายเราปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าเพราะปัญญาจะสอนว่ามันมันต้องตายห้ามไม่ได้อันนี้จังถ้าอยากให้มันไม่ตายมันจะเป็นทุกข์ขังขึ้นมาอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ก็จะเห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่ขึ้นมา เราก็จะบรรุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นโสดาบันขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือร่างกายตอนนั้นมันจะเห็นเลยมันจะโอ้ร่างกายนี้มันต้องตายเพราะภัยมันใกล้เข้ามากระชั้นทิดแล้วเห็นเลยว่ามันจะต้องตายแล้วที่มันทุกข์ก็เพราะว่าไม่ความไม่อยากตาย พอหยุดความอยากความอยากไม่ตายได้หายทุกเลยตายอย่างไม่ทุกเลยมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยอริยาศาสตร์สีเวลาเป็นของจริงเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นชนวนนะทุกปั๊บสมุทัยปั๊บปัญญาตามมามากตามมามิโลนธรรมา ท, าทันทีดับกัน ท, ทันทีแต่มันจะเป็นอย่างนี้ได้ต้องฝึกฝนอบรมมาก่อน ฝึกฝนปัญญาฝึกฝนสติฝึกฝนสมาธิมาก่อนพอเกิดพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดจากความอยากอยากไม่ตายแล้วปัญญาก็เข้ามาแ้ร่างกายมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็ต้องตายมันก็ต้องตายเมื่อมันต้องตายถ้าอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันไม่ตายมันก็หยุดความอยาก กีบความอยากปั๊บนีโรวก็เกิดขึ้นมาทันทีอันนี้ที่พูดนี่มันมันเร็วกว่า น, นี้หลายสิบเท่านะของจริงเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงมันปุ๊บเดียวเนี่ยมันอริยสัจสี่สี่ตัวนี้เกิดขึ้นมาเป็นเหมือนกับสายฟ้าแลบเลยสติปัญญามันจะเร็วมากกิเลสตัณหามันเร็วสติปัญญามันก็ต้องเร็วเหมือนเหมือนฟ้าแลบเลย พอเห็นนอะไรปั๊บคิดว่าจะตายนี่กลัวขึ้นมาทันทีะทุกข์ขึ้นมาทันทีพอปัญญามนรู้ทันปั๊บหายทุกข์ทันทีหยุดความอยากได้หยุดความไม่หยุดความอยากไม่ตายได้ทันทีพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็เลยไม่ทุกข์แต่ตายแล้วไม่ตายก็อีกเรื่องอาจจะตายจริงก็ได้อาจจะไม่ตายก็ได้อนี่คือ การาฝึกจิตเนี่ยฝึกแค่ตรงนี้แหละฝึกมาให้มันทันความอยากหยุดความอยากให้ได้ให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวผลิตความทุกข์ให้กับเราแล้วตัวปัญญากับตัวสติเป็นตัวที่จะหยุดมันได้ตัวสติหยุดมันเมื่อปัญญาสอนว่าอยากไปอยากอยากแล้วมันทุกข์ก็หยุดมันหยุดความอยากที่ทำให้ใจเราทุกข์ พอหยุดความอย่ากปั๊บใจก็หายทุกข์ส่วนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไหมหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นปัญหาเลยใจไม่ได้เป็นตัวไม่ได้ตัวเป็นตัวที่จะถูกเหตุการณ์นั้นกระทบใจเป็นเพียงผู้ที่หลงไปกับเหตุการณ์นั้นเองหลงคิดว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์หลงคิดว่าตนเองอยู่ในร่างกายคิดว่าตนเองจะตายแต่ความจริงผู้ที่ตายคือร่างกาย ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วก็ร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันถูกฟันแต่ใจรู้ถ้าร่างกายไม่รู้แต่ใจรู้ใจเลยกลัวเพราะใจไปหลงคิดว่าเป็นเป็นร่างกายถ้าใจรู้ว่าใจกับร่างกายเป็นเหมือน คนะเหมือนกับคนกับต้นไม้เงี้ยใจก็จะไม่กลัวเวลาร่างกายถูกฟันเนี่ยเพราะใจไม่ได้เป็นคนที่ถูกฟันคนที่ถูกฟันก็คือร่างกายที่เป็นเหมือนต้นไม้ส่วนคนก็เป็นเจ้าของต้นไม้ก็ดูไปดูฟันดูก็ฟันต้นไม้ไป น, นี่คือปัญญาสามารถแยกใจออกจากกายได้ แล้วต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายอีกต่อไปพอ ร, รู้จักวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายไดต้ตอนนี้เอาไปคิดก่อนคิดแล้วมันเมื่อมีความมั่นใจว่าสามารถทำข้อสอบได้ก็ต้องไปลองหาข้อสอบดูไปหาที่ไหนที่เรากลัว ถ้ากลัวแสดงว่ายังมีความอยากไม่ตายอยู่ถ้าไม่มีที่ไหนไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องไปมีที่ไหนไม่กลัวมถ้ายังไม่มีถ้ายังมีที่กลัวอยู่ก็ต้องไปหาที่กลัวนั้นแล้วไปทดสอบดูว่าจะหยุดความกลัวได้ไหมจะทำให้มันหายกลัวได้ไหมหรือเวลามันถ้าถ้ากลัวความเจ็บก็ต้องไปหาความเจ็บยังกลัวความเจ็บอยู่เปล่า กลัวความเจ็บใข้ได้ป่วยหรือเปล่ากลัวไข้กลัวเวลาเป็นไข้เวลากลัวเวลาที่ร่างกายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้หรือเปล่าถ้ากลัวก็นั่งให้มันเจ็บดูซินั่งไปให้มันเจ็บแล้วก็ทดสอบใจดูว่าทำให้มันหายกลัวได้ไหมทำให้มันอยู่กับความเจ็บได้โดยที่ไม่กลัวได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสอบเหมือนกัน ที่ให้นั่งสมาธิจนกระทั่งเจ็บแล้วไม่ให้ลุกก็เพื่อที่จะได้ทำข้อสอบถ้าเจ็บแล้วขยับก็แสดงว่าไม่ยอมทำข้อสอบก็ไม่ผ่านก็จะไม่ผ่านข้อสอบอันนี้ถ้าอยากจะผ่านข้อสอบความเจ็บก็ต้องนั่งไปเจ็บก็ไม่ลุกให้มันหายเองถ้ามันยังไม่หายก็ไม่ลุกถ้ามันหายแล้วค่อยลุกนั่นแหละ วิธีที่จะทำทวิธีจะทํายังไงให้อยู่กับมันได้ก็หยุดความอยากอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากอย่าไปลุกถ้าอยากหายอยากลุกแล้วนั่งไม่ได้ทรมานใจแต่ถ้าไม่ได้อยากให้มันหายไม่ได้อยากลุกมันก็นั่งต่อไปได้แล้วดูเวทนาว่าเป็นยังไงมันก็เหมือนร่างกายใช่ไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับเนียมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป มันสุกแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเวทนามีสามตัวผัดกันสลับกันทำหน้าที่เดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวไม่เจ็บบ้างเดี๋ยวกลางๆเฉยๆ เ, เวลาหิวข้าวนี้ก็ทุกขเวทนาเวลากินข้าวอิ่มก็สุ ข, ขเวทนาเวลาไม่หิวเวลาไม่อิ่มก็กลางๆเวทนามันก็มาสามตัวตอนนี้มันเป็นยังไงกลางๆใช่ จะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ใช่แต่เดี๋ยวนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันเจ็บแล้วเดี๋ยวทุกข์ก็เวทนามาแทนที่แล้วถ้าเราอยู่กับเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ได้ทำไมเราอยู่กับเวทนาที่ทุกข์ไม่ได้มันก็เวทนาเหมือนกันแล้วก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็ไปมันมาเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปสุขเวทนาก็มาแทนที่เวลาทุกข์เวทนาดับไปเป็นยังไงสุขอหอ เวลาหายไข้นี่หายเจ็บหายไข้นีสุขมั้ยก็นี้ก็เหมือนกันวิจารณาวินาว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเหมือนร่างกายไม่เที่ยงแล้วห้ามมันได้เปล่าอนัตตาสั่งมันได้เปล่าสั่งให้มันหายได้เปล่าเวลามันเจ็บหายไปหายหายเดียนี้หายไม่ได้เวลามันไม่ได้มาสั่งให้มันมาได้เปล่าไม่ได้มันก็ไม่มา เวลาไม่มีความสุขสั่งให้มันมาได้หรอสั่งไม่ได้เวตนามันก็เหมือนดินฟ้าอากาศร่างกายก็เหมือนดินฟ้าอากาศมันมีเหตุมีปัจจัยของมันที่ทำให้มันมาที่ทำให้มันไปเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับมันได้ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ให้มองอย่างนี้แล้วเราจะได้ปล่อยมันอยู่เฉยๆไปกับมัน ไม่ไปอยากกับมันไม่ไปอยากไปจัดการมันไม่ไปอยากให้มันหายไม่อยากให้มันมามันจะไม่มาก็ไม่ต้องก็ไม่อยากไปอยากให้มันมาม <message scattered S 1> ันมาแล้ว <bacon> ก um ็อยากไปอยากให้มันไปอยู่กับมันไปตามความเป็นจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์กับเวทนาจะไม่ทุกข์กับร่างกายตอนนี้ร่างกายอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปบางคน ร่างกายแข็งแรงสบายดีแต่ใจทุกข์อยากจะฆ่าตัวตายก็มีไม่ฆ่ามันทําไมความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์มันอยู่ที่ใจต้องฆ่ากิเลสฆ่าตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจตัวที่เกิดความทุกข์ใจก็คือกิเลสหรือความอยากเลยอยากให้สามีซื่อสัตย์แล้วไปครบว่าสามีไม่ซื่อสัตย์สามีหรือภรรยาไม่ซื่อสัตย์ แล้ก็เสียใจน้อยใจอยากจะฆ en ่าตัวตายกันมาฆ่าทําไมฆ่าตัวที่อยากฆ่าไอ้ตัวที่ทําให้เราเสียใจสิก็คือความอยากให้เขาซื่อสัตย์ใช่ไหมพอเขาอยากให้เขาสื่อสัตย์พอเขาไม่ซื่อสัตย์ก็เสียใจน้อยใจขึ้นมาถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาซื่อสัตย์เพราะเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมอนัตตาให้เขาซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์นี่เราไปสั่งก็ได้ปะ ต่อให้เซ็นสัญญากันในกระดาษมันก็ไปแค่กระดาษเท่านั้นพอถึงเวลาเขาจะเบีย้ยวเขาก็เบีย้ยวขึ้นมาอย่างนั้นให้มองทุกอย่างว่ามันเป็นอนัตตาอนิจจ่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้อย่าไปอยากสั่งอย่าไปอยากห้ามอย่าไปอยากให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนแล้เราจะไม่ผิดหวังเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ถูก นี่คือการมาฝึกฝนอบอรมจิตใจสองตัวนี้สติหยุดยุดความคิดหยุดความอยากปัญญาสอนให้เราฉลาดอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงว่ามันจะให้ความสุขกับเราว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนี้อาจจะควบคุมได้ร่างกายตอนนี้เราควบคุมได้ในระดับหนึ่งป้องกันไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ เวลามันหิวก็หาอาหารให้มันกินได้แต่อาจจะมีวันหนึ่งที่เวลาหิวแล้วไม่มีอาหารให้หาให้กินก็ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะไม่มียามารักษาก็ได้แล้วเวลานั้นเราจะทํายังไงถ้าไม่ทําใจถ้าทําใจไม่เป็นก็จะทุกข์เพราะจะอยากให้มันหายอยากจะให้มันอิ่มแต่มันไม่มันไม่สามารถทําให้มันอิ่มทําให้มันหายได้ทําให้ความเจ็บหายได้มันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆ แตถ้าเรามาฝึกหยุดใจให้ได้หยุดความอยากได้ทำใจให้เฉยๆได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับความหิวได้อยู่กับความเจ็บได้อยู่กับความตายได้นี่คือวันพระเนี่ยวันที่เรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายสมัยนี้คนเราบ้าก็เรื่องออกกำลังกายกันเนยอะ วิ่งจ็อกกิ้งกันวิ่งมาราทอนกันเพื่อจะได้ให้ร่างกายแข็งแรงโครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนอแต่วิ่งกันยังไงเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันทุกข์เหมือนกันอสู้มาวิ่งมาราทอนทางใจดีกว่าอมาวิ่งสติมาวิ่งปัญญากันดีกว่าอถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์ใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันจะไม่ทุกข์ พวกที่วิ่งมาลาทอนนี้อาจจะคิดว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่เดี๋ยวก็ถึงวันมันก็จะต้องป่วยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเวลานะั้นมันวิ่งมาลาทอนก็ช่วยอะไรมันไม่ได้มันก็จะทุกข์ทรมานใจเพราะคิดว่าตัวเองจะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายกันถ้าวิ่งมาลาทอน ขึ้นมาวิ่งสติวิ่งปัญญากันดีกว่าถ้ามีสติมีปัญญาแล้วเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะไม่ทุกข์เวลาใครจากเราไปเราจะไม่ทุกข์เมื่อวานนี้คนร้องไห้ถ้าเอาน้าไปเอาถังไปรองน้ำตานี่คงจะได้เป็นเ <c oughs> ยอะเลยนะเพราะห้ามใจไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่มีสติไม่มีปัญญา ตอนนั้นมีแต่ความหลงอวิชชาครอบงมจิตใจอยากอยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆไม่อยากจากกันพระพุทธเจ้าถึงบอกให้เรามาฝึกกันหาวันหยุดกันอาทิตย์ละหนึ่งวันอยากไปวิ่งมาราธอนเลยมาวิ่งสติปัญญามันจะดีกว่าร่างกายก็ออกกำลังกายแบบเดินจงกรมนี่ก็พอแล้ว เดินจงกรมไปสักสองชั่วโมงนี่โอ้ก็แข็งแรงกระปี้กระเป๋าเออ้าได้สติได้ปัญญาด้วย เ, ออเดินจงกรมไปแล้วก็พุโทโธไปออหรือพิจารณาตายรักไปพิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงพราะเราห้ามมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาให้คิดอย่างนี้ไปกับทุกอย่างเหมือนกันหมดร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงเพราะเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เท่าของเงินทองก็เหมือนกันเศรษฐกิจก็เหมือนกันสั่งให้มันรวยอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเวลามันจะตกต่ำมันก็จนได้มันก็ลดลงได้ทังทุกอย่างมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ทาใจเฉยๆกับมันอยู่กับมันไป ไม่ได้เฉยๆแบบไม่ทำงานทางานแต่ใจเฉยใจไม่มีอารมณ์กับผลงานที่เราทำทำแล้วไม่รายได้ไม่มากพอก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนทำแล้วรายได้มากก็ไม่ได้ดีใจก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยไปถ้าได้มากก็ดีจะได้เก็บสำรองไว้ยาวไปใช้เผื่อวันข้างหน้าเวลามันหาได้น้อยมันก็จะได้มากรบหนี้ได้ กบค่าใช้จ่ายได้แต่ถ้าเราได้มากก็ใช้กันมากพอเวลาได้น้อยมันไม่ใช้น้อยกันเยมันยังใช้มากอยู่เดิมรายรับนี่มันลดได้แต่รายจ่ายนี่มันไม่ยอมลดมีแต่จะขึ้นพอรายได้ขึ้นรายจ่ายก็ขึ้นตามทันทีเลยแต่พอเวลารายได้ลดนี่รายจ่ายไม่ลดตามมันก็เลยทุกขกันแต่ถ้าราย รายจ่ายมันตามรายได้มันก็จะไม่ทุกข์รายได้เวลารายได้ขึ้นรายจ่ายก็ขึ้นเอาเวลารายได้ลดรายจ่ายมันก็ต้องลดเลยถ้าลดได้มันก็มันก็จะไม่ทุกข์กันแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่อยากให้รายจ่ายลดมีอยากมีอยากจะจ่ายเยอะๆมันก็เลยทุกข์กันเพราะว่ามันไม่พอใช่นี่คือชีวิตของเรา เราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้เช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราต้องอย่าไปอยากกับมันอยู่กับมันได้อย่าอย่าไปอยากกับมันมันขึ้นก็ขึ้นไปกับมันมันลงก็ลงไปกับมันเหมือนเรือเรือนี่อยู่กับน้ําได้สบายไม่เหมือนบ้านบ้านที่อยู่ชายน้ําเนี่ย ถ้าน้ำขึ้นมากๆก็ท่วมถ้าน้ำน้อก็ลําบากว่าจะขึ้นบ้านที่ต้องปีนขึ้นไปแต่เรือนี้มันจะขึ้นไปกับน้ําลงไปกับน้ําทําใจเราให้ขึ้นลงไปกับความความเป็นจริงร่างกายขึ้นก็ขึ้นไปกับมันร่างกายลงก็ลงไปกับมันร่างกายแก่ก็แก่กับมันร่างกายเจ็บก็เจ็บกับมันไปร่างกายตายก็ตายกับมันไป อยาไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจเราจะไม่ทุกข์นี่คือเคล็ดลับของการที่จะจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขโดยไม่ทุกข์กับอะไรก็คือใจเราต้องสามารถปรับกับให้เข้ากับสภาพเหตุการณ์ต่างๆได้ถ้าปรับได้อยู่กับมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ยอมปรับกันชอบไปปรับเหตุการณ์มากกว่าปรับให้มันมาเข้ากับความต้องการของใจพอปรับไม่ได้ก็ทุกข์กัน ปรับใจดีกว่าปรับใจให้รับกับเหตุการณ์แล้วใจจะไม่ทุกข์ยินดีตามมีตามเกิดไงคนที่ยินดีตามมีตามเกิดแสดงว่าเขาปรับใจได้ได้มากก็ได้ก็ดีได้น้อยก็ดีไม่ได้เลยก็ดีคิดอย่างนี้เสียก็ดีดีทั้งนั้นคนนี้ปรับใจได้ทุกอย่างจะดีไปหมด ใจของพระพุทธเจ้าใจของป้าหลานท่านเป็นอย่างนี้ท่านปรับกมันได้เับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ท่านก็เลยไม่ทุกข์กับอะไรเพราะท่านรู้ว่ามันไปปรับเขาไม่ได้ปรับเราได้เราไปปรับเขาอยาไปปรับดินฟ้าอากาศใช่ไหมไปปรับดินฟ้าอากาศได้ป่ะไปสั่งให้ปีนี้ฝนตกแค่กี่กี่เมตรกี่อะไรปริมาณตามที่เราต้องการได้เปล่า บางปีมันก็มากบางปีมันก็น้อยสั่งไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติในโลกนี้เราอยู่กับธรรมชาติลาบยศสารเสวนี่ก็เป็นธรรมชาติร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราปลับใจเราให้อยู่กับเขาได้แต่เราไม่ยอมปรับกันพอถึงเวลาก็ปรับไม่ได้ ปรไม่เป็นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีปรับใจเราจะปรับใจกันไม่เป็นเราก็จะเอาแต่ใจเราเองเอาแต่ตามใจเราอยากได้มากๆอยากได้ดีๆตลอดเวลาพอมันไม่ได้มากไม่ได้ดีก็เสียใจทุกข์ใจเวลาต้องเสียก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาหัดปรับใจให้รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขึ้นก็ได้ลงก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้น่าใจจะไม่ทุกข์วิธีที่จะปรับก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาสองตัวนี้พัญนาฝึกสติบ่อยๆเพื่อเราจะได้หยุดความอยากได้แล้วใช้ปัญญาเพื่อสอนใจให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องอหยุดความอยากหรือยังถ้ายังหยุดยังไม่ต้องหยุดก็ใช้ก็ทำมันไปใช้มันไป ความอยากมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าถึงเวลาที่ใช้แล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่าไปใช้มันอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันพระนะวันที่เราจะมาะมาฝึกศึกษาวิธีปรับใจของเราให้ใจของเรารับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนะี่ยแต่ บางวันเราก็รับได้วันไหนที่เรารับกับเหตุการณ์ได้เราก็ไม่วุ่นวายใจวันไหนรับไม่ได้ก็วุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารับกับเหตุการณ์ได้ทุกวันเราจะไม่วุ่นวายใจเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาวันดีบางทีวันนี้ก็ดีบางทีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีวันนี้บางทีมีแต่คนสรรเสริญพรุ่งนี้มีแต่คนดา่าเราต้องรับได้ทั้งสองรูปแบบ สำนเสริญก็ได้ด่าก็ได้แล้วใจเราจะไม่ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลายันขอให้พวกเรามีวันพระกันแล้วใช้วันพระให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราด้วยการมาศึกษาวิธีสร้างสติสร้างปัญญากันแล้วต่อไปใจเราจะสามารถปรับให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ แล้วจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจตามมาอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะอนุโมทนาให้พรยะถาวารกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิติตังปฏธิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจจาตุสัพเพตเริมตุสังกปาจันโทปนหระโสยถามณนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีขายยโกภวะ าพิวาทนสีิทสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธมมมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลานี่ครอยากจะถามอะไรไหม บางอะไรไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็ถามได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะมีคำถามทางบ้านเข้ามามีผู้ติดตามถ่ายทอดสดทุกวันสามสิบกว่าประเทศมั่งอยู่ต่างประเทศกันสมไยนี้เดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดสะดวกถูกถ้าสมัยก่อนนี่ไม่รู้ต้องเสียเงินเท่าไหร่ ตอนเป็แสนนะครับตอนนึงสบายฟรีหมดมีมีกล้องมีสัญ ญ, ญาณอินเทอร์เน็ตพอแลอันนี้จะถามอะไรหรืเปล่าไม่ถามเลยปกติเราพอเราจะบวชง่ายใช่ไหมครับบวชง่ายแต่อยู่ยากทำยังไงให้มีเหตุปัจจัยที่จะบวชได้ง่ายแล้วก็อยู่ได้ง่ายก็ต้องมีธรรมะต้องมีสตินั่งสมาธิได้ ถ้านั่งสมาธิได้แล้วอยู่บวชสนุกบวชแล้วสนุกเพราะจะมีเวลาปฏิบัติสมาธิได้มากแต่ถ้านั่งสมาธิไม่เป็นแล้วอยู่แลทุกก็ต้องไปหาอะไรทําแทนที่จะนั่งสมาธิก็ไปทํากิจกรรมบ้าบอค อ, อแตกต่างๆแล้วก็ใจก็ยังร้อนเหมือนเดิมร้นอนเป็นไฟเหมือนเดิมเพราะไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะทําให้ใจเย็นได้นอกจากการนั่งสมาธิเอ การจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสตินัน <Yeah. S 1> ถ้าอยากจะบวชต้องพยายามจะเจริญสติให้มากๆจนสามารถนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิได้นานๆได้ทีละชั่วโมงขึ้นไปแล้วสงบเลยไม่ใช่นั่งแล้วแบบไม่สงบนั่ง mm hmm. นั่งแล้วห้านาทีส0บนาทีก็สงบเย็นสบายไม่รู้สึกเวลาผ่านไปชั่วโมงนี้นี่ปั๊บเดียวถ้าอย่างนี้แล้วบวชสนุกเพราะจะมีเวลาได้นั่ง ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าถ้านั่งไม่ได้นี่มันบวชแล้วก็จะต้องสู้กับความอยากต่างๆเดี๋ยวก็อยากจะไปนูน่นอยากจะมานี่อยากจะดูนั่นฟังนี่พอไม่ได้ดูไม่ได้ทําก็เครียดขึ้นมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ก็ลาศึกไปเห็ไหมพวกที่บวชที่เข้าพรรษานี่ออกพรรษานี่หายไปหมดแล้ว <c oughs> ตรงนี้แบบเป็นบวชแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิบวชแล้วอยู่ไม่ได้บวชบวชเพื่อเป็นธรรมเนียมให้มันเหมือนจะเป็นหน้าที่ของลูกทดแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรเท่า น, นั้นเองแต่ไม่ได้บวชที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังจ ร, งจริงๆอย่างจังอะไรอย่งนั้นถ้าอยากจะบวชบวชบวชแล้วก็อยู่อยู่ได้เนี่ยต้องนั่งสมาธิให้ได้ ถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้เดี๋ยวมาบวชแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรเดี๋ยวก็ขันไม้ขันมือเดี๋ยวก็ชวนญาติโยมไปอินเดียชวนญาติโยมไปทอดผ้าป่าชวนสร้างเจดีชวนชวนสร้างกุฏิชวนอะไรต่างๆหน้านาเพราะมันอยู่เฉยๆไม่ได้ก็เลยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแทนทำเท่าไหร่มันก็ไม่ทําให้ใจเย็น ใจก็ร้อนเหมือนเดิมจะทำให้ใจเย็นได้นี่ต้องมีสติหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ทำจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตรวมนะเราเรียกว่าสมาธิถ้ายังพุโทโธพุโทโธอยู่นี่เราเรียกว่าสติพอจิตรวมแล้วนี่พุโทโธก็หยุดไปเองหายไปเองจิตนิ่งสงบถ้าจิตรวมจะนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้แล้วก็มีแต่ความสุขไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไร อยู่เฉยๆได้อย่างสบายเบา อ, อกเบาใจตัวเบาเหมือนกับลอยอยู่ในอวกาศนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะบวชแล้ว อ, อยู่ไปนานๆทอไมา น, นี่บวชง่ายไปอย่างนี้เห็นเห็ก็บวชบวชเช้าศึกเย็นยังมีเลย <laughs> ตามวัดต่างๆไปงานศพนี่ก็บวชเช้าเดี๋ยวเย็นก็บวชสึกกันแล้ว <laughs> ก็เจ้าคะ่ะหนูควบคุมอะไรก็ได้หลายอย่างแล้วเจ้าคะ่ะแต่คนที่ใกล้ตัวบอกว่าหนู่ชอบทําหน้ายากบางครั้งที่อารมณ์โกรธขึ้นมาหนูไม่พูดอะไรแต่หนูอยากจะสร้างว่าการที่เราจะหยุดทําหน้ายากนี่ค่อนข้างบอกว่ายากแต่แบบมันทํำยังไงดีเ <c oughs> จ้าคะ่ะว่าเวลาโกรธแล้วมันไม่พูดแต่จริงอแต่หน้าสิหน้ามันออกก็เจ้าค่ะก็ยังสู้ไม่ทันกิเลสไงกิเลสมันยัง เ, เร็วกว่า ความโกรธมันเร็วกว่าสติปัญญาแต่หน้ามันไะปสติไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความโกรธเพียงแต่หยุดก็หยุดแม้มันแสดงออกมาทางกายทางวาทางวาจาเท่านั้นทางกายกระทำเท่านั้นแต่ทางสีหน้านี่มันมันเป็นผลของใจอใจเป็นใจหน้าเบึ้งตึงนะแสดงว่ากําลังโกรธเพียงแต่ว่ายังดีไม่ทุกข้าวของไม่ดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ ก็มีสติอยู่ครึ่งหนึ่งยังไม่เต็มร้อยต้องฝึกสติให้มากขึ้นไอตัวสติไอ้ที่จะทําทให้นะใจไม่ไม่เครียดไม่ไม่ไม่เป็นยักษ์นี่ต้องมีสมาธิจริงๆจิตต้องรวมจริงๆถ้ารวมแล้วต่อไปมันจะไม่มีหน้ายักษ์หน้ามารใสา่ใครมันหยุดได้เต็มร้อยนะพอเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาถึงแม้ว่ามันยังตัดอย่างถาวอนไม่ได้มันอย่างน้อยหยุดในปัจจุบันทันด่วนได้ ถ้าจิตมีอัปปนาสมาธิแล้วจิตจะรู้วิธีหยุดทุกอย่างได้พ้นพบสวิตปิดไฟแล้ว mm hmm. พอไฟกิเลสเกิดขึ้นปั๊บก็ปิดมันได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธินี่ mm hmm. เพียงแต่เอาผ้าไปคุมมันไว้เอาผ้าไปคุมหลอดไฟแสงมันก็ยังทะลุออกมาได้ยังหาสวิตไม่เจอ <c oughs> ถ้าได้จิตรวมเป็นหนึ่งสัจธรรมรู้เป็นอัปปนาสมาธิ มันเจอสวิทช์ไฟแลมันหยุดทุกตัวได้หมดยุดหยุดการทํางานของจิตหยุดการทํางานของขันนาำขันได้หมดเวทนาสัญญาสังขารหยุดชั่วข่าวเหมือนกับปิดไฟได้ทันทีเตอนนั้นจิตเย็นสบายแต่ว่าหนูได้ครึ่งเดียวใช่ไหมคบอ่าอาจจะไม่ถึงครึ่งแต่ว่ก็ให้คะแนนมาครึ่นูไเดียวให้ถึงคร่ได้เดียวไหมเดียวเดี๋ยวมันจะประมาทเดียวมันจะขี้เกียจเรทุ <g ül> เารา <c oughs> ไปฝึกสติให้ม า, มากๆแล้ว <c oughs> นั่งสมาธิให้จิตมันรวมให้ได้ถ้าจิตรวมได้แล้วเวลาโกรธปุ๊บหยุดมันได้ทันทีแต่แม้ว่ายังจะห้ามไม่ให้มันโกรธไม่ได้เพราะยังไม่มีปัญญาตัวที่จะห้ามให้ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นนี้ต้องใช้ปัญญาสติเพียงแต่หยุดมันเวลามันเกิดขึ้นมาปัญญานี้ถ้ามีปัญญาจะไม่โกรธเลยเพราะอะไรเพราะเราจะไม่หวังอะไรจากใคร เราไม่อยากได้อะไรจากใครเมื่อเราไม่ต้องการอะไรจากใครเราจะไปเสียใจแล้วโกรธใครหรือเปล่าไม่โกรธคนที่เราไม่รู้จักเราไปโกรธเขาไม่คนที่เราไม่มีความหวังที่อยากจะได้อะไรจากเขาไม่โกรธเขาหรอกแต่คนที่เราหวังเราอยากได้จากอะไรจากเขาเนี้ยพอเขาไม่ได้เขาไม่ให้เราเนี้ยเราโกรธขึ้นมาทันทีอองั้นเราอย่าไปอยากถ้าถ้าอยากจะไม่มีความโกรธก็อย่าไปอยากกับอะไรอ่าให้ยินดีตามมีตามเกิด แล้วไม่ค่อยโกรธฝนฟ้าอากาศเท่าไหร่ใช่ไเพราะเรายินดีตามมีตามเกิดได้กับฝนฟ้าอากาศมันจะตกเราก็ไม่ว่าอะไรมันจะไม่ตกเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเรายินดีกับมันตามมีตามเกิดได้แต่กับคนอื่นนี่ไม่ได้กับสามีกับภรรยาเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นต้องเอาใจเราให้ได้พอไม่ได้ดังใจก็โกรธเสียใจขึ้นมา พอเราไปมองเขาว่าเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราความจริงเขาก็เป็นเหมือนดินน้ำลมไปเนะ่ะเขาก็เป็นอนัตตาเหมือนกันตัวเขาเองเขายังห้ามเขาตัวเขาไม่ได้แล้วเราจะไปห้ามตัวเขาได้ยังไงนะให้คิดอย่างนี้ถ้าอยากจะไม่มีความโกรธเลยก็ต้องหยุดความอยากให้ได้อย่าไปอยากกับสามีแล้วต่อไปจะไม่โกรธสามีจะกินเนอะเชิญเลยเธอสามีจะไปเที่ยวผู้หญิงไปเลย จบครันี้เราสบายใจนอนตาหลับเลยอาจารย์ครับการระ ง, งับความโกรธบางทีผมใช้วิธีนี้ครับอาจารย์บางครั้งเนี่ยผมจะจําภาพที่เราโกรธเอาไว้ในใจแล้วดูมันน่าเกลียดขนาดไหนแล้วดูคนอื่นเวลาเขาโกรธเขาทะเลาะ ก, กันมันน่าเกลียดขนาดไหนยิ่ง้ายที่สุดมองไปภาพอสูรกายเลยเน่ารัเราแล้วมันจะกลัวแล้วมันจะไม่โกรธก็ได้มันก็ต้องมีสติเอาภาพนี้มาใช้เท่านั้นเองถ้าไม่ถ้า ถ้ามีภาพแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้มันก็ยังโกรธอยู่แต่พอมันนึกได้ว่าโอ้โกรธแล้วนี่จะเป็นเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเนี่ยใช่เขาบอกหยกุดน่ายักษ์น่ามารขึ้นมาก็หยุดโกรธแต่มันไม่หายโกรธมันจะมันยังโผล่มาอยู่เรื่อยยจะไม่โผล่มาเรื่อยๆก็คืออย่าไปอยากกับสิ่งกับคนนั้นหรือสิ่งนั้นที่ทําให้เราโกรธถ้าเราไม่ไปอยากกับเขาแล้วเราจะไม่โกรธเขา อนี่เป็นนักศึกษาหรือเป็นบัณฑิตเป็นนักศึกษาปีไหนแล้วปี่อ๋อเงปีหนึ่งเเรียนอยู่ที่ไหนราชมงคลตะวันออกที่ที่ไหนแปดเดียวอ๋เเวอเกษตรบางพะข้างหน้าอะไรจัตวแพทย์อ๋เออมีอะไรอยากจะถามไห ม, มไม่มีอทางบ้านดูไม่มีใครถามมั่งไหม ใช่ครับมีสภาวะหนึ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อวานครับพเจ้าคือว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อวานครับถ้าเกิดเรานั่งรับเบิลผมปิดตาสนิทมากมเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อวานลองดูด้วยวิธีการเหมือนกับปิดตาไม่ต้องสนิทมากพอปิดตาไม่ต้องสนิทมากมันเหมือนมันไม่มีการเกร็งมันไม่มีการเพ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปได้เร็วกว่าครับพาจ้าได้ยัลไะหมายก็ว่าอ่าหมายว่าปฏิบัติได้มิ่งกว่าเร็วกว่าเพราะอะไรครับพเจ้า ก็อาจจะเป็นจตุดของเรานะเจตีของเราบางทีมันตึงเกินไปก็ไม่ดีมันหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนี่แต่ละคนมันตึงและหย่อนมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ละคนต้องหาดูเอาถ้าตึงไปนั่นก็เครียดอยากจะให้มันสงบนั่งแล้วอยากให้มันสงบนี่มันก็เครียดขึ้นมามันก็ไม่สงบถ้าหย่อนก็คือนั่งแบบไม่มีสติปล่อยมันคิดเพ้อเจ้อไปมันก็ไม่สงบมันต้องกลางๆไม่อยากให้มันสงบ แต่ก็ไม่อยากปล่อยให้มันคิดเพ้อเจ้อไปก็ให้หาวิธีทำใจให้มันเป็นกลางกาเฉยเฉยถ้าทำได้บางคนไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ไม่ต้องใช้ลมก็ได้ถ้าเขามีสติอยู่มากเ็เพียงแต่นึกให้มันหยุดหยุดความคิดสั่งให้มันหยุดความคิดได้มันก็มันก็หยุดได้มันก็นิ่งได้ บางคนใช้ดูความคิดก็ได้พอคิดก็หยุดมันคิดก็หยุดมันคิดก็หยุดมันนถ้ามีสติมากมันจะเห็นความคิดมันจะมันจะทันความคิดะพอความคิดโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันอย่างนี้มันก็สงบได้ดังนั้นแต่ละคนมันมีหลายวิธีหลากหลายวิธีด้วยกันในการที่จะใช้ทําใจให้สงบนี่บางคนต้องใช้สวดมนต์ไปก่อนะ บางคนต้องพูดเข้าโทรออกแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนั้นเราดูวิธีไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วเราก็ใช้วิธีนั้นไปคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k นะครับจากคุณชนะตนนะครับข้อที่หนึ่งโยมฝึกสติในทุกอิริยาบถและนั่งสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆฟังธรรมใช้ปัญญาตัดความอยากไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนใจมีความสุขมีที่พึ่ง ไม่ว้าเหวหดอูเหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วใจจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายน่าจะไม่อยากจะยุ่งกับใครเพราะเกี่ยวข้องกับใครแล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายฉะนั้นอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเรื่องเหมือนน้าเนี่ยถ้าไม่มีใครโยนอะไรลงไปในน้ํามันก็จะไม่มีกระเพื่มมันก็จะไม่กระเพื่อมแต่พอมีใครโยนก้อนหินก้อนอะไรลงไปในน้ำมันก็กระเพื่ม เวลาใจเราไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องคนอื่นก็เหมือนกับเอาเอาก้อนหินโยนลงไปเข้าไปในใจเรานะฟังเรื่องเขาเขาบน่นเขาว่านั้นก็ใจก็มันก็มาทําให้ใจเรากับเพิ่มไปเวลาอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมาทําให้ใจเรากับเพิ่มเย็นสบายถ้าเรามีสติมีปัญญานะแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใจมันก็เพิ่มตลอดเวลามันอยากตลอดเวลาแล้วมันจะรู้สึกเกิดอัดเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกเหงาว้าเว ต้องมีเพื่อนต้องมีอะไรมาทําให้มันหายเหงาว่าวัยต่างกันข้อที่สองแล้วเราต้องอาศัยสติสมาธิเพื่อสนับสนุนปัญญาไปตลอดสายของการปฏิบัติจนกว่าจะไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปหมายถึงอย่างไรคะก็หมายถึงไม่มีความอยากหลงเหนืออยู่ในใจไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์อยู่ในใจถ้ามีความอยากมีความทุกข์มันก็ยังต้องใช้สติปัญญา หยุดมันให้ได้ทำลายมันให้ได้สติก็หยุดมันปัญญาก็ทำลายมันปัญญาจะไปถอนต้นเหตุที่ทำให้ให้เกิดความอยากขึ้นมาก็คือความหลงคิดว่าสิ่งนั้นดีพอคิดว่าดีก็อยากได้พออยากได้ก็ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกสเปสังขาราทุกขา สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันดีอยู่แสดงว่าเราหลงลก็จะเกิดความอยากพอเกิดความอยากแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าเวลาอยากแล้วใจก็เริ่มวุ่นวายแนละ้วอยากจะได้งานก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าใจก็วุ่นวายนะแต่ถ้ารู้ว่างานเป็นทุกข์ไปทำทำไมไปบวช ด, ดีกว่าใช่ <c oughs> มมันก็สบายใจ ทีงานม oh, ันจะต้องเพื่อสังคมไหมครับไม่ต้องหรอกเราไปเราไปอ้างมันในห้างเองสังถ้าทุกคนนั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องมีสังคมทุกคนมานั่งสมาธิไม่ได้มันก็เลยต้องมาเกาะกันอาศัยกันและกันให้ความสุขต่อกันและกันเพราะไม่สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้แต่ถ้าทุกคนรู้จักวิธีหาความสุขให้กับตัวเองได้ก็ไม่ต้องมีสังคมมีก็น้อยไม่ไม่วุ่นวายไม่มากมาย มีก็เพียงแต่คอยมาหาอาหารมาหาปัจจัยสีท่ทนั้นก็พออย่างสังคมของพระอรหันตพ ร, ระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรมีแค่ปัจมีแค่บินธาบเวลาบินธาบาร่วมกันฉันร่วมกันเสร็จแล้วก็แยกกันไปอยู่คนละที่กันเวลาบ่ายก็มาช่วยกันกวาดลานวัดทำการสะอาดเสร็จแล้ววะหมกนั้นสังคมของพระก็มีแค่นี้ แต่สังคมของโยมมันมีงานศพงานอะไรเต็มไปหมดงานแต่งงานงานวันเกิดเที่ยวกัน น, น, นู่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้เลี้ยงร่วมนุ่นอะไรมือจิปาถะงานเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> งานของกิเลส ท, ทั้งนั้นนหะก็เนี่ยคนไม่มีกิเลสก็ไม่มีงานอย่างนี้เร <S <S เาเทาเท่างานเท่าที่งานที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพคือร่างกายนี้เท่านั้น จากคุณนำทำธิดานะครับหากนั่งสมาธิแล้วอยากกลืนน้ําลายควรทําอย่างไรดีคะอย่าไปเกินปล่อยให้มันไหลออกมาอย่าไปสนใจมันไม่ไมหลหรอกเราไปคิดถึงมันเองถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้อยู่กับลมแล้วมันจะไม่มีปัญหาบางคนก็คันอยากจะเกาแล้วกันอแต่ถ้าอย่าไปคิดถึงมันเดี๋ยวมันก็หายคันของมันไปถ้ายิ่งไปคิดถึงมันยิ่งอยากจะคันยิ่งอยากจะเกาใหญ่คิดถึงน้ําลายก็ยิ่งอยากจะ อ, อยากจะกืนใหญ่ คิดถึงอยากจะขยับเปลี่ยนที่ท่านั่งมันก็อยากจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยนั่งเดียวก็อยากจะเปลี่ยนแล้วนั่งเลือกผ้าก็อยากจะเปลี่ยนเพราไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วมันจะลืมทุกอย่างไปหมดแล้วจิตมันก็จะเข้าข้างในได้จะคุณพิมพ์พรนะครับถ้าปัจจุบันนี้ใจของหนูมันไม่มีความอยากได้สิ่งใดๆแล้วมันเก็เฉยๆแล้วค่ะใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านกลับเรียนถามว่า แล้วเราก็ไม่ต้องใจพุทธโธได้ใช่ไหมคะถ้าใจเราหยุดใช้พุทธโธในทุกๆวันความอยากมันคงไม่กลับมาใช่ไหมคะหนูหนั่งสมาธิก็สงบดีมากเจ้าค่ะจิตรวมเร็วก็ความอยากมันไม่ได้ตายจากสมาธิถ้าวันไหนสมาธิเราอ่อนกำลังลงความอยากมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ความอยากจะหมดได้ทั้งหมดด้วยปัญญา ที่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรจะคุณอภิวิทย์นะครับที่ว่าอยากไปคิดถึงความตายจะได้ไม่ทุกข์แต่ที่เคยได้ยินมาคือให้คิดถึงความตายไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรครับก็ ที่เมื่อกี้พูดถึงเป็นเพียงแต่ยกตัวอย่างว่าออตอนที่เราไม่คิดถึงความตายเนี่เราไม่ทุกข์กันเราจึงไม่อยากจะคิดถึงความตายกันแต่ที่สอนให้คิดถึงความตายเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอมันเราจะต้องคิดถึงมันทุกวันแล้วเราถ้าเราหยุดไปไม่ได้มันจะทําให้เราทุกข์มากดังั้นที่หลาให้สอนให้เราคิดเพื่อให้เรายอมรับมันให้ได้ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะยอมรับ ความตายได้แล <Qu> ้วพอยอมรับได้เวลาเจอความตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เราไม่ยอมคิดถึงมันพอเราเจอมันเราก็ทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับมันที่เราไม่คิดก็เพราะเราไม่ยอมยอมรับมันเราถึงพยายามไม่คิดถึงมันแต่ที่เมื่อกี้พูดว่าตอนนี้ที่เราไม่คิดที่เราไม่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่คิดในเวลาที่เราทุกข์เวลาเจอความตายเราก็อยากคิดความหมายอย อ ย, อย่าคิดคือยอมยอมตายยอมตายคิดไปก็ตายไม่คิดก็ตายอย่าไปคิดถึงมันปล่อยให้มันตายไปแต่อย่าไปคิดถึงมันให้ดูเฉยเฉให้ดูเฉยเตอนนี้มันยังไม่ตายหนี่ยวะไปคิดทำไมเวลามันตายก็เหมือนแค่แค่ปิดสวิตไฟแล้วนเองแค่หายใจเฮือกสุดท้ายหยุดหายใจมันก็ตายแล้วนี่นงแล้วไปทุกข์กับมันทำไมเวลาตายจริงๆมันแค่วินาทีเดียวนะ นั้นตอนตายได้ที่ยังหายใจอยู่ก็ไม่ต้องคิดถึงมันก็ได้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้้ะไม่คิดถึงมันได้ก็ต้องยอมรับความตายพอเรายอมรับความตายแล้วเราก็ไม่ต้องคิดถึงมันเพราเรารู้ว่ามันยังไงก็ต้องตายจะคุณลูกช้างนะครับพิจารณานามรูปเริ่มต้นการทำสมาธิได้หรือเปล่าครับไม่ได้หรอกอาจารทำสมาธิต้องใช้สติ ให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับกรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้ใจคิดนถ้าคิดถึงนามกับรูปมันก็จะคิดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้สกุณณพชานญ น, นะครับร้องเพลงบาปไหมค ะ, ะถ้าไม่ได้เป็นนักบวชก็ไม่บาปหรอกเป็นนักบวชนี่ท่านเขาไม่ให้ร้องเพลงเพราะมันไม่สํารวม นักบวชนี้ต้องการให้ใจสงบกว่าจะสงบกายสงบเพราะความสงบนําความสุขมาให้แต่สําหรับคาววะผู้คลองเรือนสงบไม่เป็นก็เลยต้องอาศัยการร้องเพลงเพื่อทําให้ใจมีความสุขเป็นความสุขของคารวะาแต่ไม่ใช่เป็นความสุขของพระความสุขของพระนี้ต้องไม่ร้องเพลงต้องทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วจะมีความสุข เนือหาของเพลงทําให้คนรุ่มหลงบาปไหมมันก็มันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าทําให้คนหลงทางนะอาจจะไปทําบาปได้แต่ถ้าเพลงเนื้อหาสร้างสรรค์ก็เป็นบุญก็เป็นประโยชน์เป็นเพลงว่าเกิดมาแล้วต้องตายเนาะโลกคนกลางตายไม่ได้เนาะถ้าไปฟังแล้วมันจะทาให้ตรงได้ อย่างนี้ก็เป็นสร้างสรรค์เยแต่ทางโลกกับมหาว่าเป็นรม่การสร้างสรรค์มหาว่าเป็นอัปมงคลพอพูดถึงคำว่าตายนี่หมะเป็นคำที่ละที่เป็นอัปมงคลอย่างยิ่งเร่งทางทางธรรมานี่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งจากุณนิยาพันนะครับถ้าไม่สวดมนต์ลองนั่งภาวนายอย่างเดียวได้ไหมคะ ก็นั <cues> pues ่งภาวนาแบบไหนล่ะถ <Moon> ้านั่งมันก็ต้องมีอะไรกำกับใจพุทโธแล้วดูลมได้บางคนนั่งไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้เพราะใจมันฟุ้งมากก็เลยเอามาสวดมนต์ก่อนให้มันหายฟุ้งก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วก็ค่อยพุทโธพุทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปจะคุณจินดานะครับได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภะมีภาพระยะทราบศพตั้งแต่พองอื่น ไปจนถึงกระดู ก, กระจักกระจายเป็นขุยผงแทนที่จะปรงได้กับหวาดกลัวและห่วงคนที่รักและตนเองจะเป็นไปแบบนั้นโดยเฉพาะการตายก่อนวัยอันควรแขนขาลำตัวขาดหัวแบบจิตตกมากค่ะควรพิจารณาอย่างไรต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนเพราะจิตยังไม่สงบกิเลสมันทางานกิเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างความรู้สึกหดหู่ความกลัวขึ้นมา แต่ถ้าเราทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เวลาออกจากสมาธิมากิเลสตัวที่สร้างความหวดหู่มันจะไม่เกิดเวลาเราพิจารณาความตายกันเนี่ยท่านถึงบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถพิจารณาทางปัญญาได้เพราะทางปัญญามันมีแต่เรื่องโหดๆเรื่องน่ากลัวมันให้ไปดูหนังผีอย่างเงี้ยให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากกันมันเป็นความจริงที่เรามื เราเราไม่กล้ามองกันเพราะใจเราไม่มีพลังใจเราถูกกิเลสกั้นเอาไว้กั้นไม่ให้เราไปมองพอเราไปมองมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้เราจะเราจะกดไอความรู้สึกอันไม่ดีนี้ไว้ได้วเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆ ใ, ใจใจะเย็นสามารถพิจารณาได้แต่ก็อยู่ที่กำลังของสมาธิ พิจารณาไปสักพักแล้วก็อาจจะเกิดอาการหดหูดขึ้นมาก็ได้แสดงว่ากําลังสมาธิหมดแล้วเหมือนน้าเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอามาจากตู้ใหม่ใมันก็เย็นแต่ถ้าเดินไปเดินไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยมันก็หายเย็นพอหายเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไปในตู้ใหม่พอจิตเราพิจารณาอสุภะพิจารณาความตายแล้ว เ, เกิดอาการหดหูดขึ้นมาก็หยุดกลับไปทําสมาธิต่อ แล้วค่อยเก่าออกมาจากสมาธิแล้วค่อยมาทําใหม่ที่เราต้องทําอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมให้มันสร้างภาพให้มันติดในใจเหมือนกับเราท่องสูตรคูนอย่างเงี้ยพอเราท่องสูตรคูนนี่ล้วสบายไหมวเวลาจะคูณอะไรนี่มันไม่ต้องไปเปิดดูเราสองคูนสองได้เท่าไหร่มันโผล่ขึ้นมาเลยถ้าเราสร้างภาพเหล่านี้ไว้ในใจต่อไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บภาพเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นคนนี้สวยนคนนี้รูปหลอ่อ เอารูปภาพของเขาเวลาที่เขาตายมาดูปั๊บหายสวยหายหล่อเลยหายอยากเลยจะคุณนันทิดานะครับถ้ารู้สึกจิตสงบระดับหนึ่งแล้วเราควรหยุดภาวนาพุทโธได้ไหมคะหรือพิจารณาอย่างไรต่อดีถ้ามันยังไม่รวมมันไม่นิ่งควรจะพุทโธต่อไปจะดีกว่าเพราะถ้าหยุดปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิตมันก็จะไปทะเลทเลแล้วอาจจะไปสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาทาลาย สมาธิของเราได้เดี๋ยวจะนั่งต่อไปไม่ได้ยังั้นควจะพุโทโธต่อไปจะคุณสิริวัล น, นะครับสวสดมนต์ในใจได้ไหมคะได้ก็เหมือนกับพุโทโธในใจเวลานั่งสมาธิเวลาสวสดมนต์นี่ก็อันเดียวกันเพียงแต่ว่าสวสดมนต์มันจะได้เปลี่ยนเรื่องได้ถ้าพุโทโธมันเรื่องเดียวคําเดียวมันอาจจะเบื่อสําหรับคนที่ยังมีกิเลสอยู่สําหรับจิตที่ยังมียังไม่สงบมันจะอาจจะเบื่อกับคําพุโทโธคําเดียว ก็ให้มันสวดมนต์ยาวๆสวดพสูดไปสักพสูดนย่างก็ได้สามสี่สิบนาทีธรรมจักมาสติปัฐานสูตรเนี่ยสวดไปแล้วจิตมันก็จะมันก็จะสงบในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถดูลมต่อไปได้ดูพุโทโธต่อไปได้จะคุณสนใจนะครับอยากทราบว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมากๆแล้วชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ปฏิบัติ เรียกว่าสิ่ไม่เสมอการต้องทําจิตแบบไหนเจ้าคะก็ต้องแยกกันเหมือนกในไคนละทางเอายังไปทางกลามอยู่เราไปทางความสงบมันเป็นคนละทางกันเป็นคนละทิศกันทิศเหนือกับทิศใต้ถ้าถ้าอยากจะภาวนาก็ต้องเตรียมตัวชละชีวิตคู่แต่ถ้ายังเสียดายชีวิตคู่อยู่ก็ภาวนาได้แต่จะไม่ไม่ก้าวหน้าอาจจะภาวนาได้ พอที่จะมาใช้ดับความวุ่นวายใจได้ในบางครัง้งบางคราวแต่ก็ไปไปไกลกว่านั้นไม่ได้ไปทางปัญญาไม่ได้จะคุณมล น, นะครับรู้ว่าอยากไม่ดีต้องหยุดแต่อยากให้แม่อายุ80ฟังธรรมะจะผิดหรือปากมากมายเจ้าครัะมันก็อยู่ที่ใจเราเนะี่ยถ้าอยากแล้วเราทุกข์มันก็มันก็มันก็ทุกข์ถ้าอยากว่าไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไร ที่เรารู้จักควบคุมความอยากเราให้มันอยู่ในขอบเขตของเหตุผลหรือเปล่าอยากได้ก็พยายามหาวิธีให้แม่ได้ฟังทำถ้าไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองอาจารย์คะอย่างอย่างแป้หนูบังคับเขาสวดมนต์น อ, อบังคับเลยเหรอแล้วก็ยอมเน ะ, ะก็ดีเลยบังคับสวดมนต์ให้นั่งสมาธิอะไรอย่างนี้บางทีต้องโกรธคนต้อโกรธเขาโกรธแบบนี้ได้ไหมคะ ก็โกรธบ่อยๆเขาอาจจะอย่าเราก็ได้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเขาแต่แล้วเขาก็ทําอยู่ค่ะตอนนั้ในใจเขาก็เลื่มมาเพราะว่าแตเมือนกัว่าไปใจเปิดโลบายชีวิตจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยจะบอกก็<อ>ดีถ้าถ้าทําให้เขาสวดมนได้ก็ดีทําวิธีไหนก็ได้แต่ระวังเดี๋ยวเขาโกรธมากๆเขาอาจจะเบื่อเราขึ้นมาแล้วเขาอยากจะไม่อยากจะอยู่กับเราก็ได้ อาจารย์คุณพัตรลพงศ์ถามว่าหากไม่คือหากฝืนไม่คืนน้ําลายจะเป็นการผิดธรรมชาติของร่างกายหรือเปล่าระหว่างปฏิบัติครับอาจารย์ก็เวลาคุยกันนี้คุณเคยเกินน้ําลายหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมเกินบ้างไม่เกินบ้างมันไม่ได้ไปสนใจกับมันไม่เป็นปัญหาจะเกินไม่เกินไม่เป็นปัญหาอะไรก็ปล่อยร่างกายให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันใจเราอย่าไปยุ่งกับมันเวลาเราเกินกันนี่เราไปยุ่งกับร่างกายเอง ถ้าไม่ปล่อยให้มันเกินถ้าน้ำลายมันจะไหลออกมาทางปากให้มันไหลออกไปเลยมันไม่ไหลหรอกเพราะคนที่เขาปฏิบัติก็ไม่ไหลกันที่จะไหลก็เพราะพวกคนที่บัญอยคิดแนตะ่เรื่องน้ำลายอย่างนี้จะคุณสุรรณานะครับสัญญาที่เกิดขึ้นในขณะภาวนาเกิดขึ้นเสมอแต่ก็ไม่สนใจพยายามพุทโธสัญญาก็หายไปคําถามคือตัวสัญญาเหล่านี้จะคงเป็นไปตลอดหรือเมื่อเราเกิดขึ้น องมิภาวนาเพิ่มขึ้นตัวสัญญาเหล่านี้จะหายไปเจ้าคะอสัญญามันก็มาได้ไปได้บางทีเราก็สั่งมาได้บางทีก็สั่งไม่ได้บางคนความจําดีๆก็สั่งสัญญาได้ให้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบางคนความจําไม่ดีก็บางทีก็มาเองบางทีก็ไปเองบางบางทีอยากให้มันมามันก็ไม่มานึกไม่ถึงเหมือนนี่นมันเป็นอนัตตาสัญญา เราจะไปอะไรกับมันไม่ได้แต่เราไม่ต้องยุ่งกับมันได้มันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองวิธีปฏิบัติกับสัญญาก็คืออย่าไปสนใจมันถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ไร้สาระก็อย่าไปสนใจถ้ามันเป็นประโยชน์เช่นเห็นเป็นมรณาเห็นความตายนี้ก็เป็นสัญญาที่ดีเอามาให้มันมาบ่อยๆมันจะได้เตือนเตือนใจเราว่าเตยมตัวตายได้แล้วนะ คำถามข้อต่อไปจากคุณเดินตามรอยพระตะถาคตเป็นสา ม, มนเณรนะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะครับถ้าผมไปอยู่สายวัดป่าปฏิบัติไปหามรรคผลนิพพานโดยเราให้คุณพ่ออยู่กับแม่และญาติของแกเราทิ้งแกไปปฏิบัติธรรมระวางไหมครับเอาไม่บาปก็ไปเรียนหนังสือเวลาไปเรียนหนังสืออมืองนอกไม่เห็นบาปบทว่าบาปเลยใช่ไเรียนจบก็กลับมาดูแลพ่อแม่ได้ บวชร็จแล้วเดี๋ยวบรรลุธรรมก็มาดูแลพ่อแม่ได้พระพุทธเจ้าใช่ไหพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาดูแลพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เป็นพระอริยะบุคคลแม่ก็เป็นโสดาบันพ่อก็เป็นพระพระอราหารนันต์เมียก็เป็นพระอราหันต์ลูกก็เป็นพระอราหันต์แม่เลี้ยงก็เป็นพระอราหารันต์นั้นไม่ได้ไปแบบถาวรหรอกไปศึกษาไปเรียนหนังสือสำหรับพระพุทธเจ้าแค่6ปีนั่นเอง สำหรับพวกเราบางคนพระพุทธเจ้าก็บอกเจ็ดวันก็ได้เพราะเรามันสะดวกกว่าพระพุทธเจ้ามีคนสอนพระพุทธเจ้าไม่มีคนสอนต้องคลำทางไปเองแต่พวกเรานี่มีแผนที่ให้เดินเลยเพียงแต่เดินตามแผนที่ทั้นเองขยันเดินพระพุทธเจ้าบอกก็เจ็ดวันถ้าขี้เกียจหน่อยก็เจ็ดเดือนถ้าขี้เกียจมากกว่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดปีก็สามารถกลับมาดูแลพ่อแม่ได้ จะคุณบัวบานนะครับสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตถูกต้องไหมเจ้าคะคำว่าอบรมก็คือสนับสนุนคือถ้าไม่มีสมาธิก็คิดทางปัญญาไม่ได้ว่ากิเลสมันจะมาคอยสร้างนิวรณขัดขวางพอจะคิดถึงความตายคิดถึงอสุภาพก็คิดไม่ออกไม่อยากมองไม่อยากคิดแต่ถ้าจิตสงบแล้วจิตจะว่างจากจากกิเลส ให้คิดอะไรมันก็คิดได้มันจะไม่รู้สึกมีอาการหดหู่ใจได้อย่างไดพอมีปัญญามันก็จะทําทให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจิตไม่ได้หลุดพ้นด้วยสมาธิต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้มันถึงเป็นขั้นๆไปเหมือนการเรียนหนังสือต้องเข้านุ่บาลก่อนถึงจะเข้าปถมได้เข้าปถมแล้วถึงไปมัธยมมัธยมแล้วถึงค่อยไปเป็นยาตีโทเอกไปไม่ใช่จาก จากปฐมแล้วก็จะไปปริญญาตีเลยมันก็ไม่ได้มันข้ามขั้นไม่ได้พระเจ้าสอนให้เราสร้างทำเหล่านี้ขั้นตนก็ศีลก่อนศีลจะสนับสนุนให้เราเกิดสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิก็จะสนับสนุนให้เราสร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาไม่เกิดจากสมาธิะนะบางคนคิดว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองไม่เกิดเองไม่อัตโนมัติเราต้องพิจารณาพอมีปัญญาแล้วเราก็ต้องเอาใช้ปัญญาไปฆ่ากิเลสถึงจะหลุดพ้นได้ ถ้ามีปัญญาแล้วแต่เวลาเกิดความอยากก็ไม่ไปหยุดมันก็หลุดไม่ได้เพราะเกิดความอยากก็ต้องตัดมันตัดมันด้วยปัญญาหยุดมันด้วยปัญญาแล้วมันก็จะได้หลุดพ้นได้วิมุตเนี่ยจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเป็นผู้อบรมทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นผู้อบรมทาให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นผู้ทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นเป็นทําขั้นขั้นไปเหลือหมดแล้วเนี่ยเอาเท่ากับพอไ้มโอเีนะมีใครอยากจะถามอีไหมจะปิดประชุมแล้วอ้าวครับอาจารย์อิทาถ้าเกิดเราไม่ได้มีความอยากแต่เรารู้สึกว่าเราควรจะทําหน้าที่ที่จะคิดสร้างสารรค์สังคมเลยนัก็อยากก็แล้ครั่นแหละก็อยากทํานหน้าที่สร้างสารรค์สังคมมันก็มีความอยากอยาก่างถ้าไม่อยากมันต้องอยู่เฉย ถ้าถ้าจะทําอะไรนี่มันเป็นแสดงว่ามีความอยากนะก็ได้นม่มีใครห้ามอยากจะอยู่กับสังคมอยากจะกลับมาเวีนว่าตายเกิดกับสังคมก็มาได้อถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปบวชอยากสองอย่างอะไปไม่ได้อย่างอยากกระล้อนกับอยากน้ําร้อนกับอยากน้ําเย็นเนี่ยถ้าปนกันมันก็ไม่ได้ทั้งอย่างมันก็เลยน้ําอุ่นนะ <yeah. S 1> ใช่ไหมน้ําร้อนก็ไม่ได้น้ําเย็นก็ไม่ได้ กินกาแฟร้อนก็ไม่ได้กินกาแฟเย็นก็ไม่ได้เรากาแฟอุ่นนะถ้าอยากช่วยสังคมไปแล้วก็ใช้ปัญญาไปไม่ได้เลยต้องใช้ปัญญาก่อนช่วยตัวเราก่อนแล้วค่อยมาช่วยสังคมทีหลังได้อย่างพระพุทธเจ้าช่วยตัวเองก่อนเพราะตัวเองหลุดพนแล้วก็มาช่วยสังคมให้หุดพ้นวิธีที่ช่วช่วยสังคมก็ต้องรอรอขั้นที่สองขั้นแรกต้องช่วยตัวเราเองก่อน ตอนนี้เรายัางไหว้น้ำไม่เป็นเราหัดไหว้น้ำให้เป็นก่อนพอไหว้น้ำเป็นแล้วเราก็ไปเป็นไร้กาศได้เวลาใครจะจมน้ำเ่าก็โดดลงไปช่วยเขาได้ถ้าเรายัางไว้น้ำไม่เป็นเวลาคนจะจมน้ำเราเราก็ดดน้ำไปช่วยเขาได้ป่ไม่ได้ใช่ั้ย น, นี่คือวิธีช่วยของพระพุทธเจ้าช่วยให้ข้ามจากฟากของการเวียนไหว้ตายเกิดไปสู่ฝากของพระนิพพานที่ไม่มีการเวียนไหว้ตายเกิด ก่อนจะช่วยคนหรือให้ไปข้ามฟากได้ตัวเองนั่งไว้ข้ามฟากให้ได้ก่อนพอไว้ได้แล้วก็กลับมาสอนวิธีไว้ให้กับคนที่ไม่รู้พอเขาไหว้ได้พอสอนแล้วเขาก็จะไว้ได้เขาก็จะข้ามฟากได้เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเบาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ